วันความสุขสากลคือสาชารชาติกำหนดว่าวันนี้นะเป็นวันสุขสากลก็คงชี้ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ทุกค น, นควรจะมีแต่ว่าสิทธินี้นะคนก็คงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ถึงกับจัดให้วันนี้เป็นวันศุกสากลก็ได้พูดให้สัมภาษณ์ไปว่าความสุขนี่มันมีสองแบบนะพูดอย่างกว้างๆเลคือความสุขที่ร้อนที่เกิดจากการกระตุ้นเราอยากได้โน่นอยากได้นี่ บความสุขที่เป็นความสงบเย็นหรือเกิดจากความสงบเย็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นเรานี้เป็นความสุขที่ร้อนนะคือพ อ, พอถูกกระตุ้นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเสรนะีะนี้พออยากมีอยากเสรแล้วเนี่ยเพียงแค่ความอยากเกิดขึ้นนี่ก็ทุกข์แล้วนะเพราะความอยากมีอยากเสรเนี่ยมันทำให้จิตใจเราร้อน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 ไม่ได้อยากสิ่งที่มีนะอยากสิ่งที่ไม่มีพอรู้ว่าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างที่อยากก็ทุกขึ้นมา ท, าทันทีถึงบอกว่าเพียงแค่เกิดความอยากก็ทำให้ทุกข์แล้วแล้วก็ยิ่งต้องไปแข่งขันดิ้นรนกับเขามันก็ทุกเข้าไปอย่างถ้าเกิดไม่ได้มาก็ยิ่งทุก์หรือถึงแม้จะได้มาก็มีความสุขชั่วคราว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 ความสุขที Pe ่เกิดจากการตุ ne, ้นเราเป็นความสุขที่เกิดจากการได้ส่วนความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากการมีเกิดจากการให้การสละเช่นเราให้ทานเราให้เงินกับคนยากคนจนเพียงแค่ให้เราก็มีความสุขแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อเขายิ้นเมื่อเขามีความสุขหรือว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นเราก็มีความสุข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 นะความเกลียดยพอใส่ไปแล้ววางหรือวางได้มาเทาละก็ยัมีความสุขมาเท่านั้นก็บอกเขาไปได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยอยากจะมีความสุขกันมากแต่พอคิดแบบนี้ลหละถึงมีความทุกข์เพราะว่าพออยากมีความสุขมันก็จะคิดถึงแต่ตัวเองจนถึงขั้นหมกมุ่นกับตัวเองมละไม่สนใจคนอื่น แลวคนที่ยิ่งคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่ไม่เห็นความสาคัญของตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความทุกขนะ์เพราะว่าอัตราตัวตนมันใหญนะ่มีอะไรมากระทบก็ไม่ได้ตรงข้ามกับคนที่คิดถึงคนอื่นนะไม่ได้นึกถึงความสุขของตัวเองแต่คิดถึงคนอื่นคนอย่างนี้จะมีความสุขง่ายเพราะว่าพอเขาคิดถึงคนอื่นเขาอยากจะช่วยเหลือพอนะเขาช่วยเขาก็มีความสุข เป็นความสุขที่ไม่ได้ต้องการอยากจะได้แต่ว่ามันได้เองมันก็แปลกนะอยากได้ความสุขกลับไม่ได้แต่พอไม่อยากได้ความสุขรู้ไมไม่สนใจที่จะได้ความสุขกลับได้คนทุกวันนี้นี่อยากได้ความสุขมากก็นะ อ, อย่างที่บอกนะเพียงแค่อยากก็ทุกข์แล้วแล้วก็ไอ้ความอยากมีความสุขก็ทำให้ลึกถึงแต่ตัวเองนะ พอนถึงแต่ตัวเองนี่นะมันก็ทุกง่ายนะคนที่ไม่ได้อยากจะมีความสุขแต่ว่าเขาทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะเขาก็มีความสุขเป็นผลพลอยได้อ น, นี้มันก็เป็นธรรมดาโลกนะยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่อยากได้นี่กลับได้อย่าง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 ได้ความสงบนะเป็นรางวัลเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับใจจะพุ่งสร้างก็ยอมรับเสียงจะ ด, ดังก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ได้ผลักสายไม่ได้ตอบข้านความสงบก็จะมาเองแน่นอนเลกันนะความรักเนี่ยอยากได้ความรักคนที่อยอยากได้ความรักก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่าพ อ, อยิ่งอยากได้ความรักก็จะคอยเรียกร้องคอยคาดคำ จากคนที่ตัวเองรักจากคนที่อยู่ใกล้พอไปคาดคันมากๆเรียกร้องมากๆเขาก็ลำคาญเขาก็ละอาเขาก็เลยหน่ายแหนงะตีจ่าออกไปแต่ถ้าไม่เรียกร้องความรักจากใครนะดีแต่จะให้ความรักกับเขายิ่งให้กับยิ่งได้ยิ่งให้ความรักกับคนอื่นก็ยิ่งได้แต่ยิ่งเอากลับไม่ได้มันแปลกนะ ยิ่งให้กลับได้ยิ่งไม่ยิ่งอยากได้กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้แต่คนที่คิดแต่จะให้นี่แท้ๆกอยากอยู่ใกล้และพอได้รับความรักจากใครเขาก็ให้ความรักตอบอันนี้มันมันเป็นธรรมดาโลกลองสังเกตดูทุกอย่างยิ่งอยากได้ความเคารพก็ยิ่งไม่ได้ เพราะว่าพอยิ่งได้อยากได้ความเคารพพอเขาไม่สแสดงความเคารพอย่างที่ต้องการก็รไม่พอใจเขาไปว่าเขาตาหนิเขาเพอก็ยิ่งอยหาเขาก็ยิ่งรังเกียร์แต่ไม่อยากได้ความเคารพจากใครไม่ได้เรียนร้องจากเขาก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความเคารพก็กลับได้ความรกักความเคารพจากคนอื่นแท น, นเป็นการตอบแทนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรา อยากได้ความสุขนะอย่างแรกที่ต้องที่ควรจะทำก็คือว่าลดความอยากให้น้อยลงคนท<ฮ>ี่อยากได้ความสุขนะอย่างแรกที่ต้องทำคือลดความอยากให้น้อยลงแล้วความสุขมันจะมาเองมีคนเขาเข า, เขาเขียนภาพภาพหนึ่งเขียนว่าฉันอยากมีความสุขเป็นข้อความว่าฉันอยากมีความสุขแล้วเขาก็ขีดคำว่าฉันแล้วก็อยากมี